อาศัยเวลานี้แหละบอกเต่าเข้าขานต่อกันแล้วกันมาอยู่ด้วยกันนี่คือวัดวาลามนี่คือพระสงฆ์นี่คือแม่ชีนี่คือวาศกวาชิกาม การศึกษาปฏิบัติไม่ใช่เราจะมาอยู่ไม่ทําอะไรเลยเรามาศึกษามาปฏิบัติเมื่อศึกษาก็ต้องมีหลักสูตรหลักสูตรไม่ว่าเราศึกษาเรื่องใดต้องมีหลักสูตรเรื่องนั้นนั้นมันจึงจะรู้เรื่องนั้น เราจะเรียนขณิกจาร์ต้องท่องหลักสูตรเราเรียนภาษาอะไรต้องเวลักของภาษาตัว อ, อ, กอักษรออกชื่อออกเสียงเราปัะก็บใช่ได้น่าเป็นคำพูดมาเป็นความคิดมาเป็นการกระทำของเราทาให้เรามีปัญญา เราได้เรียนวิชาอะไรมาแล้วก็รู้เรื่อง น, นั้นมันเรียนแพทย์เรียนหมอเราก็รู้เรื่องยกดร้องหยา่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นส่วนเดียวเรื่องโรคมันอยู่กับคนอยู่กับกายอยู่กับใจ ต้องยาก็อยู่กับมาแช่ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเส้นหลงตาเป็นโรคมะเร็งก็เน่าตัวเรวนอนตบอยู่กเกิดเกิดจากลำคอขยายไปจน์ตับหมอก็รู้เพราะหมอที่เรียนมา แตกมาจากสารนนหน้าก่อนเน่าในจอบอ่อนสามารถรักษาได้จีเจโมตัวใหม่ให้หลวงพ่อโอยด่วนให้หาหนีจัยได้ข้าพเจ้าปฏิเสธวิการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้จิเจโมตัวเดียวอ๋อได้ นี่คือหลกสูตรแล้วตงตาก็หายมานั่งอยู่นี่พูดอยู่นี่ <c oughs> จากเจ็บไข้ได้ป่วยมาสี่เก้าห้าศูนย์นอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาในหมอมีพยาบาลดูแลไม่ความรู้ <c oughs> แล้วก็สอนเราความรู้ที่คนอยู่กับคนหมอเขามาบอกเรา ตามหลายอย่างเนี่ยเป็นสูตรแล้วก็รักษาได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันพูดเจ้าก็บอกแล้วว่าอาธรรมองได้ตัดไว้ดีแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติต้องศึกษาด้วยตนเอง ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการควรเรียกมาดูควรประกาศให้มาดูมาพิจารดูเมื่อทำโดูแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์ผูท้ที่ศึกษาปฏิบัติ ย่อรู้ยิ่งเห็นจริงในทามที่ควรรู้ควรเห็นตามทุกควรเจผู้ปฏิบัติไอ้ขี้เกียจก็รู้น้อยไอ้ขยันก็รู้ได้มากนี่คือตามทุกควรเจผู้ปฏิบัติมันก็ทำได้อย่างนี้ <c oughs> เราจริง มาเรียนสูตรสูตรของการศึกษาธรรมะนั้นมีอยู่ที่หมายปิปัญหาก็มีอยู่เกิดเจ็บเจ็บตายมีอยู่แน่นอนการไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไ ม, ไม่ตายก็มีอยู่แน่นอนเม่มีความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ เมื่อมีความหลงความไม่หลงก็ ม, มีอยู่เมื่อมีความโกรธความไม่โกรธก็ ม, มีอยู่เป็นคู่กันอยู่ไม่นร้อนก็มีหนาวเี่กนกลางคืนก็ในกลางวันนี่เป็นของคู่กันในความเกิดก็มีความไม่เกิดปัญหาใหญ่เรียกว่าสามัญลักษณะเหมือนกันหมดทุกชีวิตในโลกนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไปถูโอความไม่เที่ยงว่าเป็นตัวเป็นตนไปถูโอความเทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนไปถูโอความไม่ใช่ตัวตนไปโกงเขาว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เท่าไหร่แล้วในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตน มันว่าอยู่ในอำ น, นาจของใครเราก็ยังเป็นทุกข์ไม่มีใครที่รั้กนี่ได้ย่อมท่องเที่ยวตามฝั่งขึ้นฝั่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เสมอก็ไม่เที่ยงก็ไม่เป็นทุกข์อยู่เสมอก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์อยู่เสมอนี่คือโจ์เราเป็นยำเลย ต้องรับสารภาพอยู่เช่นนั่นหรือวิตเจ้าได้เห็นเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ16็ดหกพาออกประภาคเมืองกาเบลพัดเห็นเป็นการบ้านของสามัญชนคนหนึ่งนานมาแล้วสอง0้ารอย เ7้าสิบเจ็ดปีมาแล้วแล้วก็ยังเป็นสูตรที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันเดียวอยู่โดยศึกษาเรื่องนี้จากหลายๆรูปแบบจากครูหลายครูอาจารย์จนมา สุดท้ายมาเรียนด้วยตนเองปฏิบัติได้ด้วยตนเองทําด้วยตนเองเอากายเอาใจเป็นตําลาเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไปดูไปเห็นกายแต่ก่อนไม่เห็นมีแต่เป็นบัดนี้มาเห็นเห็นกายมีสติไปในกาย เนี่ยเราสูตรอยู่ตรงนี้อ่านตรงนี้ให้มันเห็นพบเห็นมันอะไรอันแน่กายเนี่ยทำไมมีหลายอย่างเป็นฉุกเป็นทุกขพวกกายจะมาดูมันเพราะมันเห็นแล้วมันเคยมีปัญหาแล้วจากคารศึกษาหกปียังเป็นอันเดียวกันอยู่ คิดถึงพิมพาราหนอยังโกรธปัญจวัคคีย์ยังพอใจยังไม่พอใจมันอะไรกันจงมาดูเห็นกายเว่ากายเสลัปปะเห็นไปเห็นมามันก็ท่องจำได้มันเคยชินมันเห็นอันเก่าเห็นแล้วเห็นอีกมีปัญหาแล้วมีปัญหาอีก เป็นสุขแล้วสุขอีกเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกพอใจแล้วพอใจอีกไม่พอใจแล้วไม่พอใจอีกอยู่เช่นนั้นยังไม่หมดปัญหาเลยโซ่ไม่แชกกุญแจไม่ไขท่องอยู่เห็นไปเห็นบานะมันก็เห็นเห็นกายจน ขี้หน้ามันว่ากายนี้สักว่ากายไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนโหลเขานี้ขี้หน้าได้แล้วเป็นคนหลายอย่างกันแล้วพอขี้ลงไปแบบเนี้แต่ก่อนกายเป็นสุขเป็นทุกข์บทนี้ไม่ใช่แล้วสุขทุกข์มันเป็นตัวเป็นตนโอ้กายมาเป็นตัวเป็นตนบทนี้ไม่เอาแล้ว เห็นแล้วเห็นกับเป็นมาคนละอย่างกันแล้วเห็นผู้เห็นแต่ก่อนเป็นผู้เป็นตำต้อยเด้อเกินเอาสุกก็สุกเอาทุกก็ทุกเป็นสุกเป็นทุกข์พอกกายเรื่องใดเกิดกับกายเป็นตัวเป็นตนหลายพวกหลายชาติบตรนี้จบเสถียเถอะตาสบกกาย ไปเชจัดุปกรณโต๊ะตนรอขอเมารอท่องหลอกโสดนี่คือกอไก่นี่คือขอไข่สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสองสามเป็นหกอะไรว่ากันไปเป็นคำตอบเป็นอื่นไม่ได้เป็นอื่นไม่ได้ถ้าสักว่าตอบไปเลยผ่าหมากไปเลย มือนเปิดไฟผ่าหมากเวลาเราวิ่งสวนทางเปิดไฟผ่าหมากถ้าเขาเห็นไฟผ่าหมากเขาก็ต้รู้ว่ามันจนกาะมันต้องไปอั น, นี้เรามันต้องไปหลีกทางมันซะข้าใหญอย่างนั้นสองห้าเป็นจีบเป็นอื่นไม่ได้ตัดฉิงไปแล้ว ถูกต้องกายสภาวะกายถูกต้องที่สุดไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลขอเป็นคำถูกต้องเป็นสูตรแล้วได้สูตรแล้วตอบไปได้แล้วอะไรที่เกิดกับกายแต่ก่อนมีปัญหาแบดนี้เป็นปัญญาเสียแล้วมันเป็นปัญญาเสียแล้วปัญหากายไม่เป็นปัญญา เค ย, ยดเคยถือวางลงหาบหนักมาเดินทางไกลมาเคยหาบห้าสิบกิโลเดินทางส4 0สี่สิบกมเคยไหมไม่คิดน้อยวนที่เคยหาบหนักมา ห้าสิบกิโลเดินทางมาสามสิบปีมาวางลงซะหกสิบกิโลเหลืออยู่สี่สิบกิโลต่างกันไหมแล้วก็รู้สึกว่าต่างกัน อ, ะอ่ะอ้ยเกือบเดินไม่เป็นน ะ, ะมันเบาเราหาของหนัก มีคนไปรับหาบออกจากบ่ามันเบามันเดินไมเป็นเจยกเสีชยชั ย, ชยไปเลยฮะอะว่าเกิดเดินใตขนาถ้าหาบฟื้นหาบข้าวไตคนามันมีจังหวะไม่ล้มไม่เซ่ก็เดินตัวเบาเนี่เซ่คนโบลาณจังบอกลูกบอกหลานว่า อย่าเดินตัวเป่าลมไปพัดลมละ่ะเดินลูกแขนินหลานเป็นดอกเป็สาวเดินอะไรไปเป่าเป่าเดินจากป่ามาเป่าเดินจากนามา ม, าาานามามือเป่าแบบว่าไตขึ้นนามามือเป่าเดี๋ยวลมพัดมันล้มลายเน่ไม่มีค่าโบราณท่านยังสอนาไปป่าอย่ามาตายเอาไม่ตายมาแจ้งมอนึง่งรู้จักไหม ไปป่าโบราณคำพูดโบราณไปป่ายา마าได้เอาไม่ตายมาแจ้งมอหนงตายเขาว่ายัางไงฮะก็ดิสาร <c oughs> ลำพางกลางไปป่ายามาเป่าเอาเอาฟื้นไม่ตายคือฟื้นมาแจ้งมอหนึ่ง เอามานึ่งข้าวเอาไว้ก้นหม้อนึง่งมันจะทำให้ให้ราโบราณท่านสอนเนี่ยมันแต่ว่าเบาของความหนักทีก่มัคนไป ใ, ในใจเนี่ยมันเบาไม่ใช่เบาแบบกายนะเป็นกิตตระหุตาเบาคิดเบาใจเบากายต่างเก่าพ้นภาวะเดิม ปลาหาเวปัญจขันธ์ธรขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อพวกเราสวดเมื่อกี้นี่อืมปะลาฮาโรจัปกคโรบุคคลเลยเป็นผู้แบกของหนักพาไปนานมนานถึงไหนแล้วมาถึงสุขตโตรหรื อ, อยังวางลงบ้างหรื อ, อยัง <laughs> เบาสักหน่อยมายึดมัน่นถือมัน่นไหนกายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เช่นนั่นหรือใครเป็นคนทุกข์ใครเป็นคนหนักเป็นของบุคคลที่เป็นคนหนักถ้าคนไม่หนักก็ปูของคนนั้นความเบาความหนักเกิดจากการวางเอาเองไม่มีใครไปแยกไม่กระหับหาม ห, หนักไปรับเอาหาม ปฏิบัติด้วยตนเองวางด้วยตนเองเห็นแย้งนี่จะว่าแล้วกายจะว่ากายไปแล้วแล้วมันก็เป็นเลยมันก็จะเห็นทิศทางไปอีกเอ้าันสุขนทุกข์เนี่ยมันมีนะต่อจะกายไปเนี่ยสูตรมันก็ไปแล้วว่าเหมือนสูตรเลขคณิตศาสตร์บุกเบิกไปเลย ได้หลักสูตรเราแตกฉานไปเลยจะเป็นบวกลบคูณหารไปได้เลยอยู่หลักสูตรอันเดียวอันหนึ่งรวมเขา้าอันหนึ่งแค่ก่องมันเป็นอย่างนั้นในสูตรเดียวในสูตรอันเดียวเมื่อเห็นมีสติเห็นก็เห็นไปเรื่อยๆไะเป็นเป็นหมู่นะมันเป็นหมวดเป็นหมู่ อะไรบางทีมันเป็นหมูแม้แต่เราไปเจ็บเห็ดก็เป็นหมูนะนั่นต่เดินมาเนี่ยเมื่อวานเห็นเห็ดหน้าเขาเป็นหมูอยู่เนี่ยอาจจะได้สักปนหนึ่งในถ้วยได้ด้วยก็เห็นดอกหนึงจะมีดอกหนึ่งไอเราเป็นเด็กได้ขวาเห็นเป็นหมูมันอาจารย์นะมันเป็นหมูเนี่ยหัวค้อนกองหัวข้าวแป้ง เด็กเด้งควายหาจิ้นสึ่งเหล่านี้หอยหญ้าเพ็กหอยญ้าแฝกะะวเวล า, าหิวข้าวเอาหัวค้นกองหัวข้าวแป้งตอนยญ้าแฝกตอนหน้าลากเพกมาจิ้นอ่อนๆหวา น, น, น, าหวนเหมือนน้ำตาลยิ่มได้หอยข้นกองเหมือนค้นตีข้องมันเป็นต้นเลยได้เกินไป ถ้าเห็นแล้วอย่าพังถอนเพื่อหาหมู่มันวิธีมันจะบอกหมู่หัวค้นกองนะจับจับต้นมันบิดหันหันหันซะไม่จ ม, ม, มเลหมือมือเมื่อมือครั้งสุดท้ายมันขี้ไปนี่ไปหาหมู่มันเห็นทัท <laughs> ีเป็นเป็นภูมิปัญญาของเด็กน้อยนะ ใครเป็นเด็กเรืองปวยสมัยโบราณห้าสิบปีหกสิบปีต้องรู้เรื่องนี้หลงตาเคยเด็กเรืองปวยอยู่ในโคกในป่าประจําเด็กท่องทุ่งประจําไม่ลงทุ่งขออกขึ้นป่าประจําต้องรู้จักแล้วก็ไปเห็นต้นอีกหันอีกเอาไว้กับขี่ไปคนละทางไปทั้งเห็นอีกต้นหนึ่งนะ่ะไปหาช่วยกันนะ อ่าจจะไปขดแ yeah. ย่ขดแย่พอขวยมันขึ้นทางนี้ <c oughs> ขวยมันขึ้นทางนี้มันต้องมีแปลวิทางนอนแล้วเราไม่ดูแปลวไม่ขดไม่ได้ตัวแยก yeah. มันมีแปลวพอเราขุดไปก็แบบออกแปลวนอนแปล ว, ปลวไม่มีรูนะสังเกตมี มีอะไรดินแน่นอนไม่ไม่ไ ม, มันมันมีปัญญานะตัวแย่มันแคไม่เห็นไ๋วยลนะไม่เห็นรอยขุดออกมาแต่มันเป็นดินนล็กน้อยเราก็ไปดูเนาะวอไปดูเราก็เออนี่แปลวันปิดเอาไว้หรือไม่เอาผ้าอับหน้าไปไปขมแปลวไว้แล้วขดไปขดไปตันไว มันก็ออกแปลออ่เอาผ้ากลับไปปัญญานะ <c oughs> นี่มันบอกทิฏทางพอเห็นกายก็บอกไปไ่อีกนะเห็นเวทนาสุขทุกข์อา้าอันเดียวอีกสูตรอันเดียวอีกหรอบุกไปเลยเวทนาสัากว่าเวทนาอนสุขอนทุกข์มันสักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลย อบคานไปเล้นะตอบวันเดียวเห็นคิดเอา้ามันนี้มันคิดเปน็นอนเป็นอีเอา้ามันก็ส่งต่อกันไปจบเพราะความคิดทุกพระความคิดเป็นไปจำเคยไหมพวกเราเวลาชิดขึ้นมาหัวโละมีมไหมเวลาชี้ขึ้นมาล่องให้มีมไหมชิดขึ้นมานอนไม่หลับไหม เออเพื่อกันอันเดียวกันนะคิดล้กก็รักตดทิ้ใจทำความความรักคิดโกรธก็โกรธตาทิ้ใจทำทาตามความโกรธเสียหายมาแล้วเคยเสียหายเพราะความโกรธโกรธให้น่องตกหัวน้อ ง, องตกขนานพอเห็นน่องล้มลงให้อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนความโกรมเนความสงสาร ออ้ยน้องของเราเนี่ยมันก็เด็กหรอมันจะกลัวไหมบอกให้มันเอาควายไปกินหญ้าปายนาโนไถานาเสร็จข้ามกลัวควายจะไม่กินหญ้ามันรอเอาควายเวลาเราไถานาเสร็จมันรออควายไปกินหญ้าแต่ว่านั่นไถานามันใหญ่เสร็จข้ามเกินไปก็บอกให้มันเอาไปกินหญ้าปายนามันหญ้ายเยอะกินปับป๊บปับ๊ับอิ่มทันที มันก็ไม่ไปมันยังคี้ควายอยู่แถวนั่นมึงทำไมไม่อก อ, อกไปโกรธน้องตกของน้องน้องตกไปคันนาร้องให้พอเห็นน้องร้องให้อยู่ขีควานั่นคิสงสารคิดสงสารน้องเราก็เด็กเนาะมันคงกลัวบอกว่ามึงไม่ทําไมเอาควายไปย่ ผมกลัวกลัวแม่ผนทำไมก็ผัวหนอเอออะไรน้องพูดคจกิ่งเราไปสวนทางกับเราบังคับให้น้องกลัวมันก็เป็นเด็กอยาให้เหมือนเป็นาให้มันเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่มันก็เวลาคิดได้ขึ้นาาไปจับแจนนองขึ้นมามันก็ลองให้เข้าไปในบ้านเลยไม่เอาผัวย เอาอะอีกเราเราต้องจะทำคันลาก็ไปทำเอาควายไปกินเนาถมน้ำหน้าไปเนี่ยเช็ดลับเคยเสียใจเคยเสียใจเคยผิดภาพความโกรธเออวันนี้เห็นกิดเนี่ยมันคิดขึ้นมาน้องคิดกลัวเราคิดไม่ให้เขากลัวมีบ้างไหมมึงอย่าพูดมึงอย่าทำ ไปบังครับเขาบางคนมันก็หลงไม่รู้คนที่พูดอะไรกับเราเขาหลงเขาไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาหลงเราจะให้เขาเหมือนเรามันก็เป็นมาละเชื้อเปียกความโกดเชื้อเปียกความรักความรักก็บายทุกความโกรธก็บายทุกโอ้ยมันเกิดจากจิตเ น, นี่เนี่ยจิตเนี่ยมีไหม ทุกคนเรต้องมีจิตใจนะให้มันบังคับเราขนาดนั้นเลยเรามีสติเห็นมันได้ไหมเวลามันหลงรู้ได้ไหมเวลามันคิดรู้ได้ไหมบอมันหัดไปหัดไปมันโลบบอมันคิดอะไ ร, ระตามเรื่องรายเรื่องดีเวลานี้เราป่าลบความเพียรสร้างจังหวะไม่ใช่เวลามานั่งคิด บางทีมันนั่งคิดไม่ใช่นั่งมีสติน่ะเดินก็คิดนั่นแหละมันดีไม่ใช่ไม่ให้มันคิดบางคนไม่พอใจไม่ชอบเออมันคิดแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องอยากให้มันสงบมันไม่ใช่เวลามันคิดอะดีจะได้เห็นมันหลงคิดไปหนึ่งครั้งรู้ทันมันหนึ่งครั้งหลงคิดไปสองครั้งรู้ทันมันสองครั้ง หลงคิดไปลอยข้างผาหนอนรู้ทันมาลอยข้างผาหนอนนั่นแหละนั่นแหละนันแหละประสบการณ์อย่างดีที่สุดว่าแต่รู้เวลามันหลงให้รู้นั่นแหละปฏิบัติธรรมเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นแหละปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นก็รู้ทันเลยโอ้ยจิตจะว่าจิตไปจะแล้วไม่ใช่สั ต, ต, ต, ตว์ปุกคนโตตนวล็กหมดนี้อันความสุขความทุกข์ก็จะความคิด หยุดกันทีไม่มีอีกแล้วใครคุณแจแช่ชโซ่หลุดไปเลยเนี่ยสูตรเนี่ยมันฟ้องวันฟ้องเขาให้โจทย์มาฟ้องเหมือนคนห้าคนมีเงินสามสิบบาทแบ่งกันจะได้คนละจีบาทสูตรเข้าไปเลยแบง่งได้พอดีเลย แบ่งกันวาอ่าแบ่งกันได้เลยได้เงินร้อยบาทแบ่งันหกคนได้เงินคนละกี่บาทถูดแบ่งเลยสูุรรวมออหลวงตาเคยสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กอนุบาลใช่ไหมสอนอนุบาลส0ิบกว่าปีมา แม่ไก่ออกไข่บรรลภพไข่บรรลภพหนึ่งวันได้ไข่จีฟองชื่อมือด้วยนะแม่ไก่ออกไขบ่บรรลภพบรรลภพหนึ่งวันจะได้ไก่จีไข่จีฟอง <laughs> เอ็กซ์น้อยตอบได้ อ, อมันก็ตอบได้ไงก็อ่าน แม่ไก่เอกไข่มาฟองสองวันได้ไข่กี่ฟองไข่กี่ฟองสองวันะะนะฮะอก็จำาน่อยเป็นณิตนิสสรตมันตอบไปเรือยอันนี้เป็นศาสตร์สูรสาเร็จก็เจ้าได้ศึกษาแล้วเนี่ยไปด้เลยจิตจะวากิตไม่ไม่ใช่จัตตัวคนตัวตนโลของไปได้ตลอด อะไรที่เกิดกับกายอะไรที่เกิดกับสุขกับทุกข์อะไรที่เกิดจากจิตใจที่มันคิดไม่มีแล้วหยุดไปเลยมันก็ไปแล้วเหมือนเราเดินทางเอาบ้านนี่ไ้หลังวัานนี่ไ้หลังก็ไปเลยไปมันก็ปกปฏิบัติได้ให้ผลได้มันก็มีผลขึ้นบางเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างการเปลี่ยนล่ายเป็นดีขึ้น เปลี่ยนลงเป็นรูปนี่หรอวิปัสสนาน้อยๆไปถ้าเป็นนิพพานเขาเย็นน้อยๆไปแต่ก่อนร้อนเพราะกายราคะชิโทสะชิโมหิชิร้อนบบบนี้เย็นลงโอ้เราทำแค่นี้มันรูปแค่นี้เนี่ยมันเป็นทางไปเกิดความกขยัน งานทำให้เราขยันมันสมดุลกันเนื้อมันในมันอะไรที่มันเนื้อมันเนื้อมันมาอยู่ได้อะไรที่ได้มาจากที่อื่นอยู่ไม่ค่อยได้ในเนื้อมันในมันในความหลงมันก็มีความรู้นะในความทุกข์ก็มีความรู้ในความโกรธก็มีความรู้นะเป็นคู่อย่างในในความอะไรทั้งหมด ความรู้สึกตัวเป็นสูตรเอกมหาเศริประธานเป็นสูตรเอกเอกอะมัโควิสุติยาหมายเลขหนึ่งเป็นทางหลุดพ้นถึงจุดหมายปลายทางจนเห็นลูกเห็นนามตามความไปจริงเห็นธาตุชีเห็นขันหาตามความไปจริง มันแตกไปแตกไปแตกไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความม่ทุกข์เห็นความไม่ชื่อยตัวตนในกองลูกของนามตามพวามเป็นจริงเปิดออกเปิดออกเปิดออกของที่เปิดมันต้องเห็นแต่ก็บเร ป, ปิดเมื่อมันเปิดมันต้องเห็นของที่เพิ่มเมื่อหายขึ้นมันต้องเห็น เมื่อมันมืดมีแสงสว่างมันต้องแก้งมันคู่กันมันเปิดออกมันเปิดออก่ะเออ น, นี้เรียกว่ารวงพ้นภาวะเก่าของที่ไม่รู้เกิดรู้ึ้นมาของที่ไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาเป็นที่เป็นจริงยังไงเป็นจริงยังไงเป็นเท็จยังไง ความหลงไม่จริงความรู้จริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความรู้จริงกว่าความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าแต่ก่อนเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงบัดนี้ความไม่เที่ยงเป็นปัญญาเสียแล้วแต่ก่อนเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์บัดนี้ความเป็นทุกข์มาเป็นปัญญาเสียแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์บัดนี้เป็นปัญญาเสียแล้ว ใจเย็นไหมเราสวบเมื่อกี้เนี่ยตีแล้วก็นาโ่ตาน่าใครเป็นคนพูดพระเจ้ามาช่วยหลงตามีอยู่ในเราด้วยต่อไปนี้เราอย่อมวความหมาเที่ยงไม่เป็นทุกนะใจเยินเอาไว้ว่าคนที่ไม่ทุกประกอบหมาเที่ยงมีอยู่ในโลกนี้เวลานี้อาจจะมีนะวัดป่าสุโกโตอาจจะมีบ้าง น้อ no. มีไหมฮ <laughs> ขอเสด็จหนอขอเสด็จหนอตัวเองสักคนได้ไหมขอพูดดังนี้ชักชีวิตหนึ่งได้ไหมมีแน่นอนนะบางคนไม่ทุกข์เพราะควมไม่เที่ยงมีแล้วบางคนไม่ทุกข์เพราะคามเป็นทุกข์ก็มีเกิดขึ้นแล้วบางคนไม่ทุกข์เพราะคามไม่เฉยตัวตนมีแล้ว ในโลกนี้เมื่อทําไมจึงมีอยู่โดยชอมีสติมีสติตสจัญญะดูเห็นเห็นคทว่าเห็นทาไมเห็นไม่ต้องถามใครแต่ก่อนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แบบนี้ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่เป็นกับสิ่งไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยง ไปได้เลยบ่ะนะ่ะเป็นสมุเดเตินทางไปโลภโลกได้โลกคือกายกวองสอกจาวาหนาเครืนะ่เนี่ยม่อันใดใช่นนี่ก็พอนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความไม่ใช่ตนไม่เป็นทุกขนะ์เนี่ยไปได้เลยบ่ะนะ่ะมันก็ไปได้ไปได้ไปได้จนถึงที่สุดเลย เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนอนยอมหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ต้องหลงนอนและเป็นทางพปฏิปั น, น, นไปทำหมดจดได้ยินไหมพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี้เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์ที่อยู่แน่นอนเมื่อนอนเป็นนิปาน ไปได้เลยนะลู้เช่นนี้ก็ไปเอียงไปไหลไปเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้นะถึงมาหาสมุทรเลยน้ําลํบากเทาไหลาจากภูหลงถึงมาหาสมุทรนะไปภูหลงลำบากเทาตกไปน้ําคีนน้ําคีตกไปน้ํามูลนั่นแหละหมุนตกไปน้ำนำปนํำของ น้ำของตกไหลหมาสมุทรแปซิฟิกโน่นมันไหลไปผู้ที่เห็นแต่ลักทตามความจริงย่งไปไหลไปสู่มรรคส่ผลนะอะอะไรมันก็ไปทางนี้หมดตเหมือนภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ง้ว <c> ย <oughs> ทุกค้ยลำน้ำ ท, ท, ทุกสาย ไหลรวมลงลํำบะเทาแม้มันเป็นภูเขาไม่สูงไม่ต่ํำมันก็มีทางลงมาไหลลงลำบะเา่าถ้าไปเที่ยวดงเที่ยวป่าสมัยก่อนเห็นลำห้วยอยู่ในป่าก็ให้ตามลำห้วยลงไปแล้วว่ารับรองว่าถึงลํำบะเทาเพราะมันไหลลงมาสู่ลํำบะเทาทั้งหมดภูเขาตรงนี้มันธรรมชาติหน้าผาทั้งนั้นก็สูง หน้าผาด้านนี่ก็สูงหน้าผาด้านนอก็สูงมันสามารถดูดตัวน้าลงมาแต่ไมจริงไปอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันสร้างสารรค์ถ้าธรรมชาตินี่ปล่อยน้ำไหลลงหน้าผาภูเขาลูกนี่ก็ไม่เหลือแล้วมันก็เป็นดินลาบไปแล้วมันไหลเสาะไหลเสาะลงไปมันก็ไหลไปทางเดียวแม้เหมือนไก่จากตาดต้นมาถึง ผูหลงเน่ยไหลกมมอมันไม่ยอมปล่อยให้ไหลไปทางอื่นอันไหลไปทางไห น, นไปถึงตาดโตนตรงที่ตาดโตนนั้นเป็นไรมันก็ธรรมชาติเป็นตาดหินแล้กว่าตาดคือหินน้ำไหลเท่าไหร่ก็ไม่สุดไม่ไม่เสีอหายดังคงอยู่ตาดโตนเป็นก้อนหิน ไหลตกลมาก็ทีนีก็ไหลยอยู่แค่ น, นั้นธรรมชาติไม่ยอมปล่อยให้ไหลาอาบหน้าหาถ้าเค่ น, นั้นมันจะไม่เหลือแล้วธรรมชาติคนร้างเกอนก็อาศัยธรรมชาติออกแบบธรรมชาติธรรมชาติสูงกึ้นมานี่คือชีวิตเราธรรมชาติพากันสู่ธรรมชาติกันเถอะ อย่าให้อ uh, ย ja, ja, ่าให้มันูญเสียอย่าให้มันสูญเสียสูญเสียพระกอบไปทุกข์สูญเสียพระกอบไม่จริงไม่ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องอย่าสูญเสียไปกับความหลงเต้าเคลืนมามันอันตรายอย่าสูญเสียพระกอบไปทุกข์สนเสียพระกอบโกรธไม่ ไม่ถูกต้องแก่สิ่งที่ไม่ไดีให้มันดีขึ้นมาเป็นเปลี่ยนได้ <c oughs> นี่การศึกษาชีวิตของเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่เป็นสูตรเอกเป็นสูตรตายตัวของมนุษย์ของคนเรามีอันเดียวเท่า น, นี้กครศึกษาเรื่องใดรู้อะไรมาก็เอาไปเลยแต่ว่าสูตรที่ไขกุญแจแค่สูตที่หลุดออกมันอยู่ตรงนี้ นะอันนี้คือคือเป็นหลักของเราพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวรู้กันทุกคนรู้เรื่องนี้ตรงเดียวเป็นคนคนเดียวกันถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็เป็นคนละอย่างกันไปมาเป็นคนคนเดียวกันมาเป็นคนมีสติด้ามีแต่คนหลงมันก็อาศักาากากายกันมาได้ฝากฝีฝากไข้กันมาได้ ถ้าเรามารวมเนี่ยฝากฝีฝากไข้กันนัมาเถอะไม่ลงตา อ, อ่านจดหมายนี่ไมีไอขี้อภาชาดจะมาอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นเป็นความคิดของเรานะแต่เราก็น้อยๆเท่านี้มันไม่สำเร็จดอกชาตินี่นะอยากจะทำงานนี่อยากไข้คนไม้เป็นไรมาอยู่ที่นี่นะ มาอาศัยกันใี่ไหมฝ่กผีฝากไข่ต่อกันเคยมีคนมาขอตายใช่ไหมสามสี่คนเรายินดีมากๆมกี่ฝรั่งมาขอตายใช่ไหมมาขอ้องตาย้องตาของขอให้หลงตาเจ็บศพคนมาฝังให้ด้วย <c oughs> หลังไปหน่อยเห็นไหมหลุมหลงศพของฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นครูคนบอบมา ญงคนหนึ่งเป็นครูเป็นโรคมะเร็งเลือดรักษาไม่หายมาขอตายที่นี่ยินดีมากมากก็ามาตายที่นี่มาเผาที่นี่สาราหนะัวใจเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่าหญ้าพงหญ้าคาที่เนี่ยไม่มีต้นไม้เลยเอาศพครูต้อยมาเผาที่เนี่ย แล้วก็ของมาตายกันแล้วอก็มีอีกคนสองคนก็ตายที่นี่เราตาไปเอามาตายด้วยอ่ะยินดีมากๆนะพวกเราก็ต้องดูแลช่วยกันแต่ว่าต้องมีคนดูแลรักษาด้วยบางทีก็คนอื่นก็ไม่อหลวงตาเองก็พึ่งอะไรไม่ได้แล้ว แต่ก่อนก็อาจจะเพิ่งได้เดี๋ยวนี้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงลงให้มาช่วยกันอยากมีห้องยาวๆหลองตาอยู่ตรงกลางผู้ชายอยู่ด้านหนึ่งผู้หญิงอยู่ด้านหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันอ่านี่ก็มีคนจะส่งอาหารมาเข้าหลงทานก็ค่อยเป็นไปอย่างนี้เราเราไม่เลี่ยนเลยเราไม่ตั้งมูลดิ่ที่ ไม่เรียอะไรอะไรแล้วแต่คนจะไม่ตาสงสารจะช่วยเห็นว่าเราทำอะไรที่นี่ก็ก็ยินดีมากถ้าเป็นประโยชน์ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ร่ำรวยอยู่ในชุมชนที่ยากจนเราก็เพิ่งอาศัยชาวบ้านจริงไม่ก็ได้บ้านน้อยรัฐตวานปลูก จูขาใส่ที่ทำกินไม่มีที่ทำกินเลยอาใส่รับจ้างนี่เราก็ไม่มีอะไ ร, รก็อยู่ยนี้โอ้สมมติอยู่อย่างนี้นะสมัตอยู่แบบนี้อยู่กับความจนๆเราเนี้ยะให้พุ่มป่วยกันไปประหยัดช่วยกันพวกเราใช้น้ำใช้ไฟหลังมัดหลัง ว, า, า, วางนะ <laughs> มีหลงทานนาน้อยๆรงทานที่นี่ไหมไม่เหมือนหลงทานของเจรษฐีนะหลงทานเพื่อรับให้คนมาบริจาคไว้เป็นการรับนต่ไม่ใช่การจ่ายนะไม่ใช่การแจ ก, กนะทางใครมีพอได้อยู่ได้กินก็มาให้ที่นี่ด้วยจะให้คนต่อต่อไปเช่เช่นนั้นคำว่าหลงทานไม่ใช่แจกแต่พื่ะเพอรับนะ นี่เขาจะส่งอาหารมาใช่ไหมเขาส่งอาหารมายิ น, นดีมากๆเลยขอติอยส่งเหล้าส่งเบียร์มาบุตรีก็ไม่เอาอมานะของเสพติดจะเอาอมาถ้าเอาบุตรีมาถวายพระเป็นบาปนะพระก็เลิกสูบกันซะอย่าภาคสูบบุตรีแนละ้ว <c oughs> เอา้าเอ๋หลังก็มีด้วยระกาสชนี้